เรื่องทรงห้ามทำวัตถิกรรมสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามผ่าตัดด้วยสัตราจึงเลี่ยงให้ทำการบีบหัวฤทศีดวงบรรดาพวกภิกษุผู้มักน้อยและตำหนิประนามโพนทนาว่าชะไนพวกภิกษุฉับพักขี จึงให้ทำการบีบหัวฤทศีดวงเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับพัก ค, คีให้ทำการบีบหัวฤทศีดวงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าละ ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้ผ่าตัดทวารหนักด้วยสัตราหรือบีบหัวฤทศดวงประมาณสองนิ้วรอบๆที่แคบรูปใดให้ผ่าหรือให้บีบต้องอาบัตถุนลัดใจ